พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าบวชมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ เป็นยัไผ้าไหมผ้าเพสัตวสบายดีอย่นะมีผ้าห่มพอไหมพอล่ะผ้า อ, อังสะกันหนาวมีนะมีไม่อดเลยเรื่องกันหนาวไม่ทงกลัวผ้าห่มพอเป็นเสียแต่ทดลองด้วยว่าหนาวมันเป็นยังไงใช่ไหม อย่าให้มันอุ่นมากถ้าอุ่นมากมันนอนหลับให้มันเย็นๆบ้างลุกมานั่งภาวนามันยังค่อยไม่ง่วงเใช่ไหมถ้ามันอุ่นมากเกินไปเวลา น, นอนมันสับประงกอย่าให้มันอย่าให้มันอุ่นมากเกินไปลูกมานั่งให้หนาวๆสักหน่อยอยังค่อยรู้สึกตัวภาวนาพุทโธพุทโทธบางท่านมันเป็นอย่างนั้นนะ ที่ท่านสู้กับเวทนาคือความหนาวเนี่ยไม่ต้องห่มไม่อุ่นทดลองดูฮะป้าห่มมีป้าอังสะกันหนาวมีช่วยช่วยหากันให้กันพวกกูบามาจากกรุงเทพนะ่ไม่เคยหนาวไม่เคยผสมหนาว<ม>แต่หลวงพ่อมันผ่านร้อนผ่านหนาวพรอแรงแล้วอันนี้มันเพียงสิบเอ็ดทนเองหกเจ็ดกว่านี้อีก เอาหกเจ็ดขึ้นมาโอ้อยู่ลาบากแต่สามเนี่ยโอ้โหเคยเดิ น, ดนโดนสามมาแล้วห่มผ้าไม่ได้เรื่องเลยมีตะกองไฟท่านั้นน่ะกองไฟใหญ่ๆไล่ความหนาวแต่ไม่ไดีอย่างนะว่าแถวเรามันไม่มีลมไม่เหมือนแถวห้วยทรายห้วยทรายเราไปมันได้กินเนี่ยโอ้ลม พอหนาวๆเข้ามาเน่ะลมพัดเข้าไปในรูอฝาบ้านก็เป็นพัดเข้าไปในรูไหนความเย็นเข้าไปหมดหนาวลมเนี่ยถ้าผ้าไม่หนาจริงถ้าผ้าไม่ดีจริงหนาวจริงๆหนาวลมก็วันนี้เป็นวันที่สิบพ่ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้า 157ห้าบ็ดวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถพวกเราลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้เป็นการทบทวนเรื่องของศีลและวินยัยสิบทุกสิบห้าคั่สบห้าคเราจะมีการสวดปฏิโมกอย่างนี้ทุกกลึงเดือนวันนี้ก็คือวันหนึ่ง แต่ผมอดย้อนคิดถึงเมื่อเราไปช่วยงานศลีละของหลวงปู่จามงานพระราชทานเพลิงพวกเราไปอยู่ที่นุ่นเกือบทั้งหมดเกือบหมดวัดได้ไปช่วยงานของหลวงปู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นผมเองอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนไปมีประสบการณ์เหมือนกันนั่นแหละ แต่ไม่ให้ไปติดสิ่งไหนดีไม่ดีพวกเราควรจะเลือกคัดสรรหมู่พวกเพื่อนมีหลายระดับไม่ว่าจะในยุคนี้สมัยนี้ยุคในข้างพุทธกาลก็มีพระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะนานาจิตตงนางนานาทัศนะการบวชมาไม่เหมือนกันถ้าบวชมาแล้ว หวังพ้นทุกในวัฏสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเป็นว่าถึงจะเป็นปุตุชนอยู่ก็มีเป็นเกรด A นะเกรดเอต่อมาก็บวชเพื่อเป็นอุปนิสัยกถยดอนลงมาบางทีก็บวชไปตามหมู่ตามเพื่อนไปอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ยศลดถอยลงมาเรื่อย เพราะนั้นการบวชแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปศึกษาในหมู่ในคณะก็ต้องเห็นมีมากหลากหลายในหมู่ในคณะเพราะนั้นเราต้องคิดต้องใช้ปัญญาต้องใช้หลักธรรมวินัยเป็นกระจกเงาเราจะวางตัวอย่างไรเราจะประพฤตินตนอย่างไร เราจะเดินแนวแถวไหนต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้ต้องให้อยู่ในจิตใจของพวกเราไม่ใช่ว่าเห็นอะไรขอเกาะมับติดมับสิ่งไหนที่มันชั่วสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่ล่อแหลมต่อหลักธรรมในัยเรายึดจุดนั้นอันนั้นแปลว่าใจของเราเลวใจของเราไปในทางต่าไปในทางที่ ไม่ใช่หลักพระทำไม่ได้ความชั่วไปสู่อบายพูดง่ายๆเดินทางไปสู่นรกพูดง่ายๆอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพระเราทุกองค์ที่ไปพบไปเจอนสถานที่ใดก็ตามไม่ใช่เจอแต่ผ่านที่ผ่านมาไปเจอณสถานที่ไหนก็ตามในอนาคตให้พวกเรา ตรวจตราดูตนเองว่าอยู่เสมอคุณงามความดีในจิตใจของเราอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ผมเคยพูดว่าเกลือรักษาความเค็มฉั้นใดเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ให้รักษาความเค็มไว้ในใจอยู่อย่างนั้นศีลและวินัยให้มั่นคงศีลและวินัยให้มั่นคง ไว้ในตัวของเราจากนั้นกอเราจะเดินเมื่อศีลและวินัยมั่นคงแล้วทำในจิตใจของเราก็เดินไปได้เพราะศีลและวินัยเป็นเครื่องปกป้องความชั่วความเสียหายสิ่งไหนควรและสิ่งไหนที่ไม่ควรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองทั้งพระเกา่าทั้งพระใหม่ทุกองนั่นแหละไม่ได้เลือกเพราะพระเกา่า ที่เห็นได้ยินมาทำความชั่วช้าเสียหายก็ามากพระใหม่ก็เหมือนกันทำความเสียหายก็ามากเพราะนั้นความชั่วความชั่วไม่ได้เลือกว่าใหม่ว่าเก่าถ้าพวกเราไม่ขัดเกลาไม่ดูตนเองแล้วความชั่วทั้งหลายเข้ามาได้ทวกระดับเพราะนั้นขอให้พวกเรา ทุกๆอองนะผมเป็นห่วงในเมื่อผมปล่อยเข้าไปในกลุ่มชุมชนผมจะต้องมาย้อนให้สํานึกไดอีกอพวกเราอย่าไปไปเห็นสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเราจะไปออกมาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่า สมัยตัวเองอยังไม่บวชไปเห็นพระเดินโต๊ะโตเต๋อถืออะไรขับโุรีสู ป, ปุรีในที่สาธารนณะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทำหนิในใจฮะไม่เป็นอย่างน้นพระทำไมเป็นอย่างนี้ผมได้ยินสิ่งเหล่านี้นะแต่พอตัวเองเข้ามามาบวช ทำร้ายเยี่ยงกว่านั้นไปอีกออกินกระตั่งเข้าลงเข้าแรงกินอะไรทุกอย่างเกือบจะมีไม่มีวินัยอยู่ในตนเองอีกต่างหากอย่างนั้นผมก็เคยเห็นหที่มาพูดเพราะผมมีลูกศิษย์ลูกหาหมูพวกเพื่อนหลายระดับเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆองค์ในเมื่อเราเป็นคารวาสเรามองอีกแบบหนึง่ง แต่พอเราเข้ามาเป็นพระเสร็จแล้วเราทำเสียเองสิ่งเหล่านี้มันมีไหมในใจของเราขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านขอให้เราพวกสรุปแล้วคือให้พวกเราให้เข้มงวดกวดขันให้หนักแน่นในหลักพระธรรมวินยัยให้หนักแน่นอยู่ในศีลและวินยัยในเมื่อมีศีลและวินัยดีแล้วไปนสถานที่ใดคนก็สบายใจผู้ที่ได้พบเห็น จะเป็นหมูพวกเพื่อนครูบาอาจารย์เพื่อนเก่าแก่ที่เป็นขรรหัตยาดโยมเห็นก็สบายใจด้วยเพราะเห็นว่าเราอยู่หนักแน่นอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นพระที่มีศีลเนี่ย เ, เป็นที่ยอมรับของทุกคนของคนทุกระดับนะแต่วันนี้ผมเองก็ได้ได้นำปัจจัยไปมอบให้ ทางฝ่ายคณะสงฆ์ทางอำเภอคำเชอีเพราะว่าพอจัดงานลุงปู่จามเสร็จเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายคณะสงฆ์ท่านก็ได้ปรึกษากันเกี่ยวกับจตุปัจจัยที่มาใช้จ่ายในแต่ละวัดที่ขนของมาใช้มันของชำรุดทุบโทมเสียหายนี่แหละสรุปแล้วก็คือสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อ เพื่อความเจริญโดยโดยส่วนเดียวเรียกสารานยธรรมมีหกเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาต่อเพื่อนภิกษุสมัมเณธทั้งต่อหน้าและรับหลังมีขนขว่ดูแลการขาดเขินปัจจัยสี่เรือ่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นฮะเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมัมเณธทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นเห็นว่าหมูพวกเพื่อนมีความเห็นเพช ก็พยายามบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนให้เห็นถูกนี่แหละตั้งเข้าไปตั้งวิจีกรรมคือกล่าวด้วยวาจาสั่งสอนเข้าไปตั้งมโนกรรมคือคิดอย่างไงจึงจะหมู่ทั้งหลายจึงจะได้รับความสงบผาสุกทางด้านจิตใจทั้งการเป็นอยู่ทั้งปัจจัยสี่ทุกอย่างทําจะให้หมู่เป็นถูกคิดในใจไว้อยู่เสมอ เพื่อให้หมู่พวกเพื่อนได้รับความสะดวกสบายมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสรมเนีทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์เสมอเหมือนภิกษุสรรมเนีอื่นไม่ให้ภิกษุสรมเนีอื่นตำหนิติฉินเราได้ว่าศีลของเราวินัยของเราในย่อย่อนไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะสงฆ์ะ อันนี้ก็เราก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เทียมเท่ากับหมู่พวกเพื่อนแล้วก็มีความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกับภิกษุสามเณญอื่นอย่าไปเห็นความผิดแปลกแตกต่างคือมิจฉาทิฏฐิทำรีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่ขอรบคูบาอาจารย์ทิฏฐิมาณฑอแข็งกระด่างอันนี้ก็ไม่เป็นผลดี ไม่เป็นห้นทางแห่งความเจริญแล้วก็ข้อที่หแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนนไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้ก็คื อ, อสารานิธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพราะความเสื่อมนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วถ้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างที่ ผมได้กล่าวให้หมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนไปอยู่นะสถานที่ใดให้มีจิตใจให้มีน้ำใจต่อเพื่อนภิกษุสัมมนเนนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องท่านไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่วความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าาพวกเราไปอยู่สถานที่ใดมีแต่โรคโหโมกณะโลภโกนะโรดหลงทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครไม่ดอมฟังใคร สิ่งเหลนี้ความหายนะก็จะเข้ามาสู่ชุมชนและกลุ่มของท่านวัดของท่านได้ง่ายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าเป็นขรวาดหยาิโยมก็ตามเราต้องเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาหมู่พวกเพื่อนเมื่อเขาเอารัดเอาเปรียบเรา เราก็มีความรู้สึกเสียใจแต่เราไปเอารัดเอาเปรียบเขาเขาไม่รู้เนี่ยเราก็เมื่อเขารู้เขา้าเขาก็คงจะเสียใจเหมือนกับเราเพราะนั้นเราอย่าไปเอาเปียบเขาเขาก็จะมาเอาเปียบเราถ้าเขาสิ่งไหนที่เขามาจะเอาเปียบเราเราก็ต้องรู้เขารู้ชั้นเชิงของเขาเอออันนี้มันมาเอาเปรียบเรานะนเนี่ยเราก็ปกป้องเราหรือบอกกล่าว ไอ้สิ่งนั้นนั้นมันไม่ทูกนะเราบอกตรงๆเล ย, เอยพ อ, อไรเพราะ เ, เขาล่วงล้ำเกินเส้นเส้นของเรามันล้ำเข้ามาหาเส้นเราแล้วมันไม่ทุกสิ่งเหล่านี้ก็พวกเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรใช้ความอดทนทุกอย่างนั่นแหะสรุปแล้วคือคือให้ใช้ปัญญานี่ยนะความรอบคอบ ไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าไม่ขาดความรอบคอบแล้วก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะไรเพราะกิเลสราคะโทสะโลภโกรธหลงเข้ามามาลุมมาตุ้มเราเราก็วันไหวไก ว, ไวแขวงไปตามกิเลสโลภโกรธหลงเหล่านั้นนั้นขอฝากไว้กับพารพระหลานน้องนุง่นงทุกองคนะ์นาะต้องโอ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ภาวนานะี่ย หลักของเราเดี๋ยวนี้ให้ภาวนาให้ชำละใจใจนั่นะเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจความสุขทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดความทุกข์ทั้งหลายออกไปจากใจเพราะนั้นทุกและสุขมันอยู่ที่เดียวกันเราจะใช้อะไรเราจะใช้คุณธรรมศีลธรรมเข้ามานั่งอยู่บนใจของเร า, เามีแต่ใจของเรามีแต่ การกรองไตรตรองเหตุและผลใจของเราก็จะมีความเยอกเย็นแต่ว่างพวกเราใช้กิเลสโลภโกรดหลงราคาโทสะโมหะเข้ามานั่งอยู่ที่ใจของเราใจของเราก็มีแต่ความรุ่มร้อนขุ่นมัวโมโหโกธาทั้งวีทั้งวันจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราต้องใช้ธรรมะนะใช้หลักพระธรรมวินัยใช้หลักธรรมคาสอนเขามาเตือนตัวเอง แล้วก็พร้อมกันผมอยากจะให้พระห น, หนุ่มพ้าน้อยพระใหม่ทั้งหลายให้ฟังวิทยุหลวงตานะอย่าไปฟังเสียงร้องรำทำเพลงนะไปเปิดไม่ได้นะมันเป็นค่าศึกต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นค่าศึกต่อจิตใจเรื่องเสียงร้องรำทำเพลงนะนะั่นน่ะทำให้จิตใจกระเพื่องจิตใจร้อนมันไม่ใช่สงบสุขนะแต่มันชอบ เหมือนกับคนป่วยชอบของหวานอย่างนั้นล่ะอะไรเป็นของแสลงมันชอบแต่กินเข้าไปแล้วมันแสลงเผลอๆตายต่างหากพรากินของแสลงนี้ก็เหมือนกันอ่ะพวกเราเนี่ยอชอบของแสลงอย่างนั้นน่ะแต่เราต้องฝืนต้องฟังทำพระเทศนาของอพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาของเราเนี่ยขอให้ฟังวันละหนึ่งกันอย่างน้อยวันละหนึ่งกัน คือตอนหัวขํามหนึ่งกันตอนสว่างหนึ่งกันก็เลยเวลาเราจะฟังเรานั่งขัดสมาธิซะก่อนตั้งแต่สองทุมแล้วไปนะท่านจะพูดเรื่องปฏิบัติธรรมพอนั่งขัดสมาธินั่งฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจไม่ต้องเปิดแรงเปิดพอได้ยินชัดถ้อยชัดคําในตัวเองเพราะสถานีของเราก็อยู่ในหลังวัดของเราอยู่แล้วชัดอยู่แล้วร้อยสามจุด 25เรานั่งฟังเลยพอจบแล้วก็ดับวิทยุแล้วก็นั่งต่ออกีกกาหนดดูใจของตัวเองเหมือหนดพุทโธพุโทโธทาใจให้นิ่งทําใจให้สงบจากนั้นเมื่อเราสงบแล้วเรานํามาพิจารณาด้านปัญญาวิปัสสนาอย่างทีเท่เราได้ยินได้ฟังจากที่ท่านแนะนําสั่งสอนฟังวันนี้ได้ความรู้อย่างหนึ่ง ฟ, ฟังต่อไปได้ความรู้เอกร้ายค้างตรายโหนเราจะได้เรียนรู้หลักพระธรรมวินัยหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีจุดประสงค์อะไรที่จะให้พวกเราภาวนานเราจะรู้จุดประสงค์นะไม่ใช่ว่าจะมาฟังแต่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็พูดภาพรวมตอนเช้าการเป็นอยู่บงังแนวความคิดบงัง กิริยามารยาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็เป็นภาพรวมแต่เรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาจริงจังเรื่องกิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสกิเลสกับใจใจกับกิเลสเนี่ยเราให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะพระลูกพระหลานทุกองเนอะอย่าไปเบื่อหน่ายในการได้ยินได้ฟังถ้าใครเบื่อหน่ายในการศึกษาเบื่อหน่ายในการได้ยินได้ฟังแล้วมีแต่ความหายนะจะเข้ามาสู่ พวกท่านทั้งหลายคนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้เรื่องต่างๆตื้นลึกหนาบางหลักธรรมคําสอนหลักพระธรรมพินัยทําไมคนจึงเป็นคนดีเป็นคนเลวคนไหนพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมอยู่ในหลักพระธรรมพินัยอยู่ใน เป็นพระกรรมฐานอย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยพวกเราจะดูรู้วิธีการนะขอให้พวกเราตั้งใจนะบวชมาทั้งทีอย่าให้ได้เปล่าประโยชน์นะบวชมาแล้วก็เป็นเด ม, มาคิดถึงบ้านถึงเมืองง่อมไหวเงาแง่มเ ง, มงาเศร้าซึมนะมันไม่ถูกอะไรอย่างนั้นเพราะเรามาทาหน้าที่นี้เราต้องออมาบวชก็รู้อยู่แล้วจะบวชกี่วันกี่เดือนออกไปล้วจะอยู่กี่ปี สี่ห้าหกสิปีนี่ตั้งเยอะแยะไปอันนี้มารักษาคุณงามความดีเพียงแค่นี้ เ, เรายังมาดละโธมทุกข์นในจิตใ จ, จอันนั้นว่าแปลว่ากิเลสในใจของเรามากเกินไปนกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะในใจของเรานี่มากจนมืดมิดปิดตามืดมิดปิดความดีของเรามีแต่ให้พวกเรามองไปหาแต่ความชั่วช้าเสียหาย งอมเงาเศร้าซึมในจิตในใจมันไม่ถูกนะลูกหลานทุกองนะตั้งใจภาวานาฝึกตนเองให้เข้มแข็งเดินโยกลมเป็นไงเอาเดินเดินทั้งคืนดูสิเป็นยังไงอย่างวันนี้เดือนไงผมผ้าดีๆแล้วก็เดินแล้วนั่งทั้งคืนดูสิเป็นยังไงเดือนนั่งวันนี้หลายชั่วโมงดูสิเป็นยังไงตายเป็นตายดูยสิให้มันตายให้เห็นต่อหน้าดูสิเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราฮึดสู้เป็นบางครั้งนะไม่ใช่วันละแหละ เราแหละไม่ได้เรื่องเลยต้องฮึดสู้นะถ้าเราฮึดสู้แจะจิตใจสงบจิตใจรวมจิตใจสงบแล้วพวกเราโอ้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่สอนอยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝากฝังชีวิตไว้นพระพุทธศาสานานี่เป็นพ่อเหตุนี้เองหนอะนี่เออเป็นอย่างนี้นะเราจะได้โอปะนายโกในจิตในใจของพวกเราเนาะพาลูกพาหลา น, นต่อเนื่องไปสุดท้ายปฏิโมก